อริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในจักสุย่อมเบื่อนายแม้ในรูปย่อมเบื่อนายแม้ในจักขวิญญาณย่อมเบื่อนายแม้ในจักขุสัมผัสย่อมเบื่อนายแม้ในเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข หรือเป็นอัตุ ข, ขมาสุขที่เกิดขึ้นเพราะจากขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัพระคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยะสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว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 ภิกษุก็บอกว่าไม่นั่นก็คือเหตุผลว่าเพราะมันไม่ใช่ตัวเราเราไม่ใช่มันเราไม่ใช่กิ่งไม้กิ่งไม้ไม่ใช่เราการที่เรารู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่เรานันนะคือตัวเนตังมะมะเนโมาสมิณนะเมสซอาตาที่พระเจ้าให้เราทั้งหลายเนี่ยเข้ามาดูตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา